เทศเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2588ณวัดป่าบรรตาดอุดรธานีโปรดคณะอาจารย์คุณหมออวยโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนของนักบวชที่เรียกว่าพระครอบครัว ผู้เผ เ, เนี่งจากเทศที่เผยพศษพระพุธทธเจ้าประเศริขึ้นมาจากความเป็นนักบวชถ้าจาาวสาวพัสที่เราครองอยู่เป็นประจําของเพศนักบวชของงหลาหนี้ เป็นผ้าที่พระ อ, องค์ท่านทรงบวชแล้วครองเบื้อทิศตัปถธรรมแผ่เผาเกล็ที่เป็น้าตศิษ์จนปรากฏเป็นใจชนะขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักบวชจึงต้องอาศัยผ้าที่พระ ผู้เทเจ้าถึงท ร, รมันปรเกิด้วยความเป็นนักบวชถึงอาสัยครองท่านเมื่อท่านผู้ใดได้กล้าเข้ามาเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรคือเป็นผู้ดับคลิไถย ที่เคยมีในความประยฤพิของตนแต่กลับเป็นผู้เประพฤดปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชซึ่งเป็นผู้งดเว้นในสิ่งที่จะเป็นท่าสิกแก่ตนเองนั่นเป็นท่าศิกต่อโลกทังนั้นเพศของพระจึงเป็นเพศที่ไว้ใจผ่าเป็นพระจริง ตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนย่อมเป็นสง่าราศีเสือบ้านหนึ่งจะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นบรรณาพุทธเบอ ร, ร์กัดทุกสนใจต่อพระพุทธเจ้าระทำพระสงค์และต่อนักบวชที่เป็นลูกศิษย์พาะคตีแล้วย่อมมีความยิ่นแย้นแจ่มใส มีศรัทธาความเทียรความดินไสมีความไว้วางใจต่อพระลูกนั้นนั้นมีโลกเขาถือกันอย่างนี้เพราะเพจนี้เป็นเพที่ไว้ใจมาแล้วตั้งแต่ขร้างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจากข้างหลังจนถึงนโยกขึ้นเป็นสาระที่เพิ่งพิง าสายของโลกว่าพุทธัทงส น, งาานัสน ง, สนงขจฉานสงมังขนังขจาาินี่เป็นส่วนบุคคลที่ปรากฏออกมาจากความเป็นนักบวชส่วนธรรมังขาานังขจฉานนีปรากฏขึ้นจากข้อปฏิบัติของผู้เป็นนักบวช เรีว่าพระธรรมเป็นธรรมที่จะเกิดและให้ความไว้วางใจแก่โลกได้เช่นเดียวกันกันกบส่วนบุคคลผู้เป็นนักบวชที่ให้ชื่อว่าพระพระที่จะเป็นที่ไว้ใจแก่ตนเองและโลกทั้งหลายมอบความไว้วางใจให้กับพระนั้น ต้องเป็นผู้มีธรรมังส่นังภระานถ้าหาไม่แล้วไม่ชื่อว่าเป็นเพศที่ความความร่มย็นจากตนเองและเต่โลกเราทุกท่านที่เป็นนักบวชโปรดทำความรู้สึกกับตัวของเราพร้อมโดยข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องจะ ด, ดับพระ ให้มีความร่มเย็นแก่โลกและสวยงามกแก่หูแก่ตาที่โลกไปเห็นได้กราบว่าบูชามีความเย็นใจในเราผู้ประพฤติปฏิบัติชอบถ้าจะเป็นลูกจิตของกระถาคตตามเสด็จพระองค์ท่านจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ ก้าวตามร่องรอยของพระองค์ทำที่สเสด็จไปและสาวกท่านสเสด็จําเนินไปท่านดําเนินไปด้วยอันใดนอกจากลักของพระธรรมวินัยแล้วไม่มีพระพุทธเธจ้าและสาวกองค์ใดที่จะดําเนินคือไม่มีทางสายใด ที่พระพุทธเจ้าและสาวกจะดาเนินนอกจากทางคือหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นเนื้อทางคือหลักธรรมวินัยเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้กระเดะิดเดินไปและได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ และย้อนกลับมาเป็นใจหน้าของพวกเราจนกระทั่งถึงทุก่างนี้เราก็ควรจะทำความเข้าใจกับตัวของเราต่อหลักพระธรรมวินัยซึ่งเป็นทางดำเนินทำว่านักบวชต้องเป็นผู้ไม่สั่งสมความกังวลใส่ตัวเอง อยู่ก็สาบายอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อถูกต้องกับหลักธรรมที่ไหนแนี่อยู่ง่ายนอนง่ายกินง่ายทุกสิ่งทุกอย่างนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มง่ายทั้งนั้นเพราะไม่มีความฟุ้งเฟอ้อเถื่อน แน่จะมีอยู่ภายในใจก่ออาศัยหลักถ้าทำา้วยในเป็นเครื่องบังคับบับแสงเอาไว้มาให้ปุ่งเผยเห็นตามไป ต, ตามความอยากคล้องกจสิ่งใดจะบกสรองไปบังเป็นต้นว่าที่อยู่ที่อาศัย สบงกีวร อ, อาหารตัดใจเที่ยงเลี้ยงขีดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องมีความย่อท้อไม่ต้องมีความอิดนาละอาใจต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่หลักของพระธรรมวินัยคือข้อปฏิบัติที่เราจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ตรงตามสวขาคตัธรรมนั้น ยาให้บกช่องสำหรับพระเหล่ซึ่งเป็นเพศที่ประเสริฐต้องเนื่องด้วยข้อปฏิบัติกระเสษิไปด้วยดูที่ไหนก็สามารถไม่ฟุ้งเฟอเหืเห่เทิมกับเรื่องอะไรทั้งนั้นคือว่าเป็นเรื่องที่กะ ทำความกำหนูจแก่จิตใจให้เหินเินห่างจากหลักของพระธรรมดีหน่อยอันเป็นไปเพื่อความ บ, บัตทุกข์สนผู้ปฏิบัติไม่สนใ จ, จกับสิ่งเหล่านั้นให้มากยิ่งกว่าหลักธรรมดีหน่ยซึ่งเป็นเครื่องระดับตัวข้องหลักเราดูเราบัตนมีรอบ ผิดกับโลกของเขาหรือไม่ในเพศของหนโลกยอมเป็นธรรมดามีความตกแต่งเพื่อความสวยของงามความงามเป็นเชื่อกางเกงเสื่อหนึ่งหอมทุกสิ่งต้องตกแต่งทำให้สดสวยงดงามร่างกายก็ต้องตกแจจต่ ง, ตงเพื่อความสดสวยงดงามที่อยู่ที่อาร์ไรส์ม้วนตั้งแต่ ตกแต่งทั้งนั้นเพื่อความสวยงามสำหรับโลกเขาเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของพ้าแล้วแม้จะตกแต่งก็มันมีเจตนาเพื่อความสวยงามเพื่อทางโลกแต่พระเห็นหลักของพระศาสนาว่าเป็นธรรมชาติที่สะอาดหลักพระธรรมก็เป็นธรรมที่สะอาดหลักพระวินัยก่อ พ้ะอาพออกมาจากจิตที่เบิกจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นเดกข้อปฏิบัติการสะอาดนี่มีมผลกันเช่นนี้เรื่องความสะอาดแล้วต่อถึงเรื่องหลักพระธรรมลู่นในโดยตรงสะบงชีวรต้องให้สะอาดมีกินบ้าง ต้องรีดพักพอกราบป่อยหมักหมมเอาไว้จับผิดจากหลักของพระธรรมนีหน่ะทุกส่วนของร่างกายก็เหมือนกันต้องะา่างที่ทเสมอปัดเล็บถูวฝันทาความสะอาดเหล่านี้ล้วนแม้แต่ปฏิบัติเพื่อหลักพระธรรมนีหนซึ่งเป็นของชา สะอาดภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติเพื่อความสะอาดภายในคือความมุงรังของใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอาละวาคนที่มีความขยันมันเพียนในข้อวัดปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ต่อออกมาจากใจว่าเพื่อความขยันมันเพียนแก้จิตแก้ใจ ที่หมักหมมอยู่ด้วยสิ่งตกคั่วตกได้เกิกดพิเรตอาสวะให้หมดไปวันนั้นไม่รน่นอนเรื่องของนักบวชและเป็นนักปฏิบัติ้ดยแล้วจึงควรสนใจอย่างยิ่งในหน้าที่ของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักของพระธรรมน่ะและข้อปฏิบัติของตัวเองที่จะดำเนินไปตามแถวแห่หงพระธรรมน่ะ มีเป็นทางเดินของพระพระไมเ่เดินตามทางสายนี้ไม่ไม่มีทางเดินเดินถึกจากข้อวัดปฏิบัติตามหลักของพระธรรมได้ไหนแล้วไม่ใช่เรื่องของพระตัวเองก็หมดแต่พาความเชื่อมั่นเรื่มใสในพระศาสนาคนอื่นก็หมดความเชื่อเรื่มใสในพระองค์นั้น เพราะไม่ว่าโลกว่าธรรมต้องแสวงหาของดีเ้วยกันลราที่เป็นลูกศิษย์ที่มีครูคือพระพุทธเจ้าเราอย่าทารุ่มรุ่มดอนดอนทำอะไรให้มีแบบมีเถือนมีครูมีอาการครูมีหลักครามนี่ไหนอย่าให้เป็นไปตามอำเภอใจโดยแม่คำหนึ่งถึง พระอยู่ในตัวของหลราความขยันมันเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบจะพายในวัดก็าตามหรือเฉพาะความเพียรทางด้านจิตใจของตนก็าตามตรงถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องทําตามกาลสมยัยซึ่งควรจะทําในหน้าที่การงานนั้นๆ ไปที่ไหนอยู่ที่ใดอย่ามองข้ามตัวเองโตรวมองดูความเคลื่อนไหวนับแต่ความเคลื่อนไหวของใจออกมาถึงความเคลื่อนไหวทางกายวาจากเอ็นที่ชมเชยของพระโพธิสเจ้าหรือไม่อาการใดที่เป็นไปเพื่อความติเตียนของพระพธเเิสัตว์ อาการนั่นชื่อว่าผิดจากหลักของพระธรรมวินยัยเพราะพระพุทธเจ้าหมายถึงหลักธรรมวินัยโดยตรงผูจะปฏิบัติตนเพื่อเห็นความร่มเย็นในเพศแห่งพระของตนให้สมกว่านโลกมีความเชื่อความร่นมายมีความไม้วางใจตนก็ควรจะทำความเชื่อมั่น เรื่มสายต่อข้อวัดปฏิบัติและให้เป็นที่ไว้วางใจของตัวเองในความประพฤติทุกดานไม่เช่นนั้นจะเป็นพระปลอมขึ้นภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้หลักพระธรรมใมนที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีสินส่วนใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่อง อยู่กับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมมนัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่สม่ำเสมอไม่เต็มเม็ดเต็เหมหน่วยโดยอาศัยความอ่อนแอเป็นผู้ถูกลาบไปรู้ความเกลียดแค้นความมักง่ายถูกลากไปนั่นแลหลักธรรมมีไนจึงจะไม่สมบูรณ์ในบุคคลผู้นั้นขาดรอยให้หลักธรรมินัยเป็นเครื่องชักจูงไปแล้ว จะเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเพียนไหวทางกายวาจาใจทุกทุกประโยคจะต้องทราบเรื่องความดีความชั่วที่เที่ยนไปจากตัวของตัวเนื้อจะมีทางแก้ไขเพื่อความเรียบร้อยต่อไปนี่เรื่องของพระเป็นอย่างนี้นโปรดได้ทราบด้วยกัน ดูที่ไหนไปที่ใดเราไมต่ต้องไปเป็นกังวนกับประธานที่อยู่อาหารปัไก่เพราะเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วครอบไปหมดทุกแห่งทุกผลขอแต่ตนให้เป็นผู้ผูกผิดปฏิบัติีดีตามหลักธรรมดินันของพระพุทธเจา้าให้เป็นที่ร่วมเย็นแก่ตนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อย เ, เป็นมาเพราะอำนาจของความดี ธรรมาธํามโมหาิรักคติธรรมใจถ้าทาบทนี้ที่แต่เนื้อความว่าทาย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนี้เป็นธรรมที่มีขนรับรองมาแล้วตั้งแต่ครั้งองค์สมเด็จเทพบูมีพระภาคเจ้าของใดจนกระทั่งบัทนี้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้ลดคุณภาพขอแต่ขอปฏิบัติของเราให้เป็นที่มั่นใจกับธรรมบทนี้เท่านั้น ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของของเราซึ่งให้นามากธโมหิรัคติธรรมใจพระธรรม จ, จะรักษานั้นเป็นหน้าที่ของพระธรรมเองไม่ว่าจะรักษาชีวิตจิตใจของเราที่เกี่ยวกับอาหารปัจจัยที่อยู่ที่อาศัยไม่ว่าจะรักษาจิตใจทั้งเราให้เป็นไปตัวความบริสุทดจุดพ้นเป็นลํำดับลาดับไปจะซึ่งอยู่กับพระธรรมบทนี้ทั้งนั้น ต้องสุขหัดตัวให้เป็นคนจริงอย่าเป็นนิสัยง่อนเงินบคอนแคลมทำอะไรให้มีจิตมีหมายอย่าทำสักแต่ว่าทำการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือไม่ค่อยเห็นผลปรากฏขึ้นนั้น เนื่องจากความเป็นผู้มีใจลอยไม่ได้มีสติตั้งมั่นอยู่กับใจที่ในขณะที่ทำงานสติปัญญาของพระพุทธเจา้านำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างไยสารสาวกนํนำไปใช้พ้นจากทุกได้ เรานำมาใช้เหตุใดจึงจะเป็นค่าศิกต่อเราเสียเองไม่เคยมีนอกจากเราจะเป็นค่าศิกต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคฤสติปัญญาไม่สนใจนำมาช้เท่านั้นท่านตรัสไว้ว่าอริยศัาในทัก ษ, ษณะหนนหมายความว่าอย่างไร เห็นอริยสัจอริยสัจอยู่ที่ไหนเรื่องทุกข์ไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนูแล้วจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตัวเหตุนั่นก็คือความงมงายของพวกเราเพเอง จึงเป็นสมุทยขึกคุกขึ้นมาได้เลยหามีสติพอสังเกตจารู้กับื่วงของสมุทยอย่างจริงจังแล้วคำว่าเห็นอริยสัจก็จะไม่มีจากเราคนนี้เพราะอริยสัจอยู่กับเรา ทุ ก, ก็ปรากฏอยู่รอบทั้งกายทั้งจัดสมูไทยก็เป็นไปอยู่กับใจตลอดเลยล่ะมากคือสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรดูที่ไหนถ้ามาอยู่กับเราผู้จะพยายามรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเท่านั้นไม่ปรากฏว่า ทำเครื่องแก่เรานี้ไปอยู่ที่อื่นนอกจากองค์แห่งอายุสัตว์นี้ไปเลยทำมามีโลดคือความดับทุกข์ไม่มีทางจะปรากฏขึ้นได้ก็เนื่องจากเครื่องสมูทัยอันรื่องจากเนื่องจากเรื่อ ง, อ ง, อ ง, องของมรคไม่ทํางานสติก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีนีแต่เรื่องของสมูทยัย ทำงานอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะหาไมโรอดความดับทุกข์ภายในใจของเราได้ที่ไหนในองค์ของพระนี้เราอยาให้เป็นพระเพียงสักแต่ว่าชื่อว่านามแต่ต้องเป็นเรื่องของพระด้วยข้อปฏิบัติกรรมจัดเจดีอาชวะซึ่งเป็นตัวสมุทัยนั้นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอย่างจริงจังเราไม่ต้องกลัวตาในการบําเพ็ญเพียร เ, เพื่อความดุจคน หากว่าการนมเพลนเพียน เ, เพี้ยนเัืความบุญพ้นเป็นฆ่าศึกดุจเป็นเพระเจ้แล้วพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเป็นผู้วิเศษให้โลกได้ปรากฏและกราบว่าไปไม่ไหนเลยแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ทราบมาสมุ ท, ทัยคือตัวสังสมขีเลี่ยเป็นจนถึงกับเป็นกองทุกขึ้นมาเป็นฆ่าศึกต่อเราเราจึงมีความนอนใจที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นฆ่าศึกนี้ ด้วยสติปัญญาศรัทธาผ่นเปียนท่องลหนึ่ให้เราพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรเป็นข้าศึกต่อเราทุกวั น, นเมื่อจะเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างพอเวลาสมควรที่จะให้ดิเรกพอถลอกปอกเปิกไปบ้างเราก็กลัวตายเดินจงกรมก็ไม่จี่ตลบกลัวตั้งแต่กุฏิหมอนจะวิ่งหนี และก็วิ่งตามสเสือตามหมอนนอนตลอดรุ่ง<ะ>นั่งภาวนาก็เช่นเดียวกันคอยกลัวจนเกิดจะทุกข์จะลำบากเรื่องความทุกข์เพระอำนาจของสิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือผิดขึ้นมาให้เราได้รับถือทุกวันนี้วันไหนมีซึ่งเป็นวันกำหนดกฎเกณที่เขาจะปลดเครื่องเราให้พ้นจาก แอบบนคอเสียมากไม่เคยมีเขาติดคุกติดตารางยังมีกำหนดวันออกจะหลายปีหลายเดือนก็ยังมีกำหนดแม้ธรรมะติดตลอดชีวิตเขาก็ยังมีวันออกอีกเหมือนกันลบหยอ่อนผ่อนผันโลกโทษลงวันละเล็กบา น, น้อยโทษที่ควรจะติดตลอดชีวิตก็เลยกลายพ้นไปได้ แต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทยัยคือความนอนใจของเหล่านี้เคยได้ปลดปล่อยบุคคลและจั์ให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นอิจรภาพภานานจิตใจที่ไหนบ้างมีไหมเราจรึงจะควรนอนใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่พยายามแก้ไขให้หลุดพ้นไปบ้างด้วยอำนาจแห่งความเพียงของหลากถ้าอย่างนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อที่ตรงไหน ่าพระพุทธเจ้าต ร, รัดรูลชอบท่านตัดทะูุด้วยอะไรถ้าไม่ด้วยความเพียงแล้วไม่มีจะตัดด้ว ย, ยกิเลสปัญหาตัดด้วยความเจี๊ยรแฉนตัดทรูุด้วยความท้อแท้วันเออไม่เคยมีในบทในบาทศาสนาพุทธเจ้าของเราเลยนอกจากเฉพาะความขยันหมั่นเพียรเท่านั้น เราเคอเห็นความขี้เกียจขี้ค้านความพ้อแท้อ่อนแอนี้ทำประโยชน์ให้โลกและให้ตัวของเราเองซึ่งเป็นผู้มุ่งทานี้ได้หลุดพ้นจากทุกไปที่ตรงไหนบ้างหลุดพ้นไปสักกี่เปอรเ็นโดยที่เราปราศจากความภาเพียร น, นี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันซึงได้สอนเสมอในเรื่องความเพียรพยายาม เรื่องกลัวทุกข์กับเรื่องกร้าหารต่อทุกข์นั้นมันอยู่ในฉากเดียวกันการจะนั่งภาวนาให้เป็นเวลาพอสมควรนั้นเรากลัวทุกข์จะเกิดขึ้นในรับความลำบากลำบนในสกลกายนอนเสียเป็นการสะดวกดีมีเราบั้นเทากลายของทุกข์เพียงเล็กนั้นหรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงระ ง, งับไปนิดนิดหน่อยน่อไม่ใช่เราจะแก้ต้นเหตุ ข, ของทุก หากว่าเราจะพิจารณาให้ละเอียดลงไปกว่า น, นั้นเราก็ควรจะแก้ต้นเหตุของทุกข์คือเรื่องความเจ็บข้ามของเราเสองเพียนความขยันมันเพียนเข้ามาาจะทุกข์ในเวลานั่งภาวนาจะทุกข์มากขนาดไหนคนแลสัตว์ในโลกผู้ไม่ไนั่งภาวนาตายเพื่อนกันอยู่ทั้งโลกไม่จ้ากดว่าลายไหนได้ผ่านพ้นจากทุกข์ไปได้ เพราะการไม่ต้องนั่งนั่งภาวนาทุกไม่มารบควนในทายของบุคคลนั้กัดลายนันนั น, นมันตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วความเพียรวะถอดถอนตนเองซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือสาเหตุแห่งทุกได้แก่สมุทังมันเป็นเรื่องของเราที่จะสนใจอย่างเต็มพติกำลังสำหรับนักบวชเกัา เพราะไม่มีกิจธุรหน้าที่อันใดลงความกังวลในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่อยู่เพียรใั่บรราศรัทธาญาโยมมีศรัทธารองรับอยู่แร่ตลอดเวลาและ้อยจะอนุโมทนาสำนับท่านทุกเป็นสุปฏิปนูออชุญญาณสายมิจิอยู่เสมอไม่เคยมีศรัทธานคนไหนจะขัดข้องต่อข้อปฏิบัติของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีนอกจากจะอนุโมทนา ยินดีทั้ ง, งทางจาิตทางใจยินดีทั้งความจะถวายความสะดวกทุกด้านตามแต่กําลังศรัทธาที่จะมีเราเห็นได้จึงกลัวตายในเรื่องการประกอบความพาคความเพียรพื่อจะริญถอนตนให้พ้นจากทุกข์ราดตึ้งผู้เย็นภายในจิตใจสิ้นเป็นของร่อนมาอยู่แล้วและทําให้โลกในรับความร่มเย็นเป็นประโยชน์เสื่อโลกทั่ ว, ว, วไป เรื่องทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในกายก็ควรจะตามกําหนดรู้เรื่องของทุกข์ให้เห็นชัดตามที่พระพธธุทธเจ้าว่าทุกข์เป็นของกินกินแค่ไหนเวลานี้เรานี่เห็นแต่ทุกข์เป็นข้าศึกของเราเท่านั้นในขณะที่เราเห็นว่าทุกข์เป็นข้าศึกเราก็ถือว่าทุกข์นี้เป็นนิดโดยเราเราไม่รู้สึกตัวเราจึงมีความสนิทสิกจมอยู่กับทุกข์ไม่มีความสนใจที่จะพยายามแก้ไขทุกข์ ด้วยวิธีถอดถอนสมูทยัยคือตัวเกียด์ครั้นในการประกอบความเพียรด้วยมากคือข้อปฏิบัติได้แต่ความขยันหมั่นเพียรของเราถ้าได้ตั้งสติและปัญญาพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งทุกจะเป็นทุกข อยากเกิดจากอาการไหนก็ตามในร่างกายนี้ไม่ยอมให้สติไม่ให้ปัญญาออกจากที่นี่พิจารณาค้นดูเรื่องของทุกข์กับอาการที่เราเข้าใจว่าทุกข์จะเป็นอาการใดก็ตามในากายนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนมือสติปัญญาวิ่งร่อมรอบอยู่กับอาการนั้นแล้วจะต้องเห็นทุกข์เป็นความจริงตามเทอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แจะสอนไว้นไวในเมืองไหน ในปีไดก็ตามแต่จจมาปรากฏเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงขึ้นที่กายของเราที่ใจของเราไม่นอกเหนือไปจากนี้เพราะนี้เป็นเรือนของอริยสัจที่แล้วถ้าเราเพียนทุกข์ยังไม่จบรู้เรื่องของทุกข์ยังไม่จบรู้เรื่องของสมุทัยคือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ ด้วยินเสริมทุกยังไม่จบด้วยอํานาจของนักเราที่นามาใช้ให้เต็มกําลังแล้วความว่านิโรธ า, าที่จะดับคุกให้ภายใ น, น ห, หัวใจก็ดีจะดับคุกในเรื่องความเกิดตายต่อไปข้างหน้าก็าดีจะไม่ปรากฏสำหรับเราการเกิดตายเกิดตายนี้เป็นคติธรรมดาของคนที่มีกิเลสเช่นพวกเราเรา เราจะหลีกเล่นจากความเป็นเช่นนี้ด้วยวิธีใดนอกจากจะดำเนินตามหลักธรรมของพระโพธิเจ้าที่ทรงหลุดพ้นไปแล้วไปแล้วโดยชอบนั้นไม่มีทางใดที่จะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์สหนึกพวกเรา หากเราจะเป็นลูกทิศของกระาสโคตรจริงๆก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องความภาคความเพียรอาทุกจะมีมาท่าไรทาความเข้าใจกับทุกด้วยสติกับปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงกันภายในตัวของเราทกุกับเราก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสมไทยก็จะเห็นกันอย่างจริงจังถอดถอนกันได้อย่างจริงจังด้วยมากที่เป็นเครื่องถอดถอนอย่างแท้จริง นิโรธเรื่องความดับทุกข์นั้นจะดับไปเป็นลําดับดบตามอำนาจของมักที่มีกำลังขอบถอนทุมข์ฐาน ไ, ได้มากน้อยจนสามารถจะปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่คือดับทุกเบโดยสิ้นเชิงภายในใจของคนที่มีกิเลสอยเคยมีกิเลสนั้นคือหัวใจของหลง่และจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในเวลานั้นนั่นแหละเรื่องความพ้นทุกข์ เราจะไม่ต้องไปถามที่กองไหนเมื่อจิตได้ถอดถอนเชื่อออกจากตัวเองแล้วจะไม่มีเชื่อใดที่จะทักทวงจิตใจให้เกิดตายเกิดตายดังที่เป็นมาแล้วนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้จริงเห็นจริง พ, พ้นจากทุกท่านพ้นจริงๆพ้นจากที่เดืดตัณหาท่านพ้นจริงๆ ค้นจาเรื่องความเกิดตายนี้พระพุทธเจ้าค้นจริงๆเราจะเชื่อพระอวาทของพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อที่เด็ดตัญหาของเราที่ถือรากอยู่ทุกวันนี้โสดนํามาเทียบเทียงอย่าได้นิ่งนอนใจเราจะเป็นโมคะบวชในเพศแทนนักบวชของเราโดยไม่รู้สิจตัวและภพชาติที่เคยเป็นมาและก่อภัยเอาทุกมาพร้อมกับภพบชาตินนั้ๆ น, นั้น มีประมาณเท่าไหร่สาหรับตัวของเรานี้เรายังไม่สามารถจะทราบเพราะเห็นได้เพราะมากเรือประมาณจนตัวเองไม่สามารถจะทราบทราบได้เฉพาะร่างกายอันเดียวนี้เพรามีน้อยมีอันเดียวในขณะ น, นี้ตากดิอันเดียวเราก็เห็นว่าเกิดมาและตายก็คือร่างอันนี้จะตาย นี่เรานับได้เท่านส่วนที่เหลือจากนี้ที่ผ่านมาเท่าไหร่นั้นเราไม่สามารถจะนับและที่จะเป็นไปข้างหน้าเพราะอํานาจของกิเลสที่เป็นเชื้อพายในจิตใจซึ่งจะพาไปเกิดนั้นก็ไม่มีประมาณอีกเหมือนกันจะมากอีกสักเท่าไหร่และเรื่องของทุกข์ที่จะตามมากับเรื่องความเกลียนั้นจะมากสักเท่าไหร่เราได้นํามาชั่งในขณะนี้แล้วหรือ ย, อยัง ถ้ายังไม่มาช่างแล้วก็ถือว่าเราจะเป็นผู้สามารถหาบกรองทุกที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าจากหัวใจดวงนี้ที่เต็มไปด้วยความเียบช้ำดีนับเวลาโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราไม่ต้องการจะหาบทุกแต่จะให้มีความต้องการจะปลดเปลื้องทุกภายในหัวใจของเราให้ อ, ออกหมดโดยสิ้นเชิง เพื่อจะปวดเบื่องเนืองความเกิดตายอันจะเป็นตัวทุกข์นานาคตอันแหละเราจงน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นส่วนคาธรรมเข้ามาแนบสนิทจับใจทากไล่ที่เดชตัณหาอาสวะซึ่งเป็นความเชื่อเดิมของเราหรือเพื่อสนิทติดจมกันมาปเป็นเวลานานานั้นให้ออกทางจากจิตใจของเราอ น, นี่แต่ความภาคความเพียรเพียรดูเรื่องของทุกข์ภายในตัวของเราเพียรดูเรื่องของสมุทัยที่เกิดขึ้นมา ทุกๆขณะด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาของเปลี่ยนทั้งหลายเราจะเห็นความจริงในตัวของเราโดยไม่ต้องสงสัยธรรมานิยานีิกระทัมนำเป็นธรรมที่นำสับให้พ้นจากทุกนั้นจะนำสั์ตัวไห น, นอกจากสับตัวที่ติดข้องอยู่รี้สับตัวที่ติดข้องอยู่นี้ก็คือเราสัจจาแปลว่าผูกข้องข้องอะไรมันข้องเรื่องของตัวเองแก่เรื่องของตัวเองไปแล้วจะเอาเรื่องไหนมาข้องไม่มี รือของตัวเองพ้นแล้วไม่มีเรื่องไหนจะมาทำให้เป็นทุกข์ความทุกข์นี้ก็คือทุกข์เรื่องของเราเราอย่าไปที่จะนาลึกมองข้ามตัวของเราไปเราจะหาแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปแน่ๆแต่ฉนันขอให้ผ่ากันตั้งอกตั้งใจเรามีอำนาจวาสนาได้บวชมาในพระศาสนาทีวิจิตใจมีผู้บำรุงบำเลหาที่ไหนจะมีเหมือนอย่างแขา เหตุใ ด, ดพระเราจึงจะนอนใจเพราะอาหารปัดใจที่เขานำมาให้เป็นของมีสุนค่ามีดั่งผาปัญนและเราจะนอนใจว่าโดยกินเปล่าเปล่านอนเปล่าล่าไปนอนเหล็กแดงเสียอย่างดีกว่าที่เราจะมา น, นอนกินดูดหลับนอนกับด้วยความเจ็บคา่าึ่่อาศัยก็าอยู่ทุกวั น, น ตรงมองดูตัวมองมองดูพระของเราให้ั่วถึงอย่าให้พระของเราบกพ่องเราจะได้เห็นพระธรรมในหลักธรรมชาติเึ้นมาที่ใจด้วยอำนาจถึงข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดเพราะอำนาจของความเพียรมู้นหลังคำว่าความชิงจุกแห่งทุกนั้นเราจะไม่ต้องไปถามใครๆแต่จะรู้ที่หัวงใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์อยข่ขณะในขณะนี้ เพราะอำนาจของความเพียรเป็นเครื่องถอดถอนดีทุกเวลากลางคืนกลางวันมีเพื่อเราผู้จะไม่ตั้งตัวเป็นโมคบุตรแต่จะตั้งตัวเป็นอุู่ลิตาคตจงเป็นผู้ ปรากฏเด่นในทางความเพียรลูกของพระเป็นผู้เลี้ยงง่ายแยางนี้นต้องไปพึ่งเพื่อเฮิร์มกับสิ่ดใดนอกจากเรื่องข้อปฏิบัติเท่านั้นอะไรจะขาดจะเหลือไปเอ้าขาดไปเหลือไปยีวอนสบงจะขาดกระจุกกระจาไปกอก ขอให้เห็นเจทีในผู้ปฏิบัติดีเราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับสิ้งใดทุกจริงทุกอย่างนอกจากข้อปฏิบัติของเราแล้วจะเ อ, เอียงไปบ้างขาดตกบกท่องไ ป, ไปบ้างไม่เป็นไรไม่ทำให้เราเสียความงามของธรรมะไม่ทำเราให้เดือดร้อน แต่เรื่องของใจที่จะทําความร่มเย็นแก่ตนนี้ถ้าหากมาทําความ้่มเย็นแก่ตนไม่ได้ด้วยความเพียรแล้วจะกลายเป็นใจที่เดดร้อนมากยิ่งกว่าสิ่งใดตรงนั้นจงมองดูหัวใจของตอนด้วยความเพียรอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ตายจมอยู่ในดินในญ้า น, นี้ที่กับที่การนับในถั่วนจึนของยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้